ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมปปุตยานกำลังนำเสนอเรื่องสมาสติก็มาถึงข้อที่เรียกว่าสัมปชัญญะหรือสัมปชานะนะคือในพระบาลีสมาถสติปัฏฐานในทรงเรียกว่าสัมปชานะอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลกเกพิจดมณัสสัง มีความเพียเพรเผากิเลสได้เราร้อนมีสัมปชานะแปลว่ารู้ตัวทั่วทำมวนอาจจะลุงลังเป็นบาลีหน่อยนะฮะแต่ว่าเป็นแนวป้องกันช้สติเนี่ยการจะเดินจะยืนจะนั่งจะลุกจะเหยียดแขนจะกู้แขนจะหยุดจะฉวยจะกินจะดืม่มจะลิ้มจะทำอะไรตะลรเนี่ยเราจะเห็นว่า <c oughs> มันเป็นลักษณะของอาการรู้ตัวทันทีทันใด จำนวนบาลีท่านแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้ในทันทีในขณะนั้นสััมมชัญญาที่จริงเป็นปัญญาหมายความว่าคือการพัฒนาปัญญานั่นเองเพียงแต่ว่าทำยังไงจะพัฒนาเก้นไปได้ก็คือกระบวนการของปัญญานั่นแหละที่จริงมันอยู่กระบวนการเดียวกันแต่ว่ามันจะเน้นไปปัญญาภาคสนาม รือภาคใช้งานกันจริงๆเพราะว่าสามัญชานะเนี่มันทํางานควบคู่กับสติปัญญาก็คงเป็นคงคงเป็นเรื่องการพัฒนาปัญญานะเราอาจจะมองผ่านกระบวนการทางจิตสี่ประการที่กล่าวไว้ในวันก่อนโน้น <c oughs> หรือว่ามองจากองค์ภูสูตรหรือมองจากปัญญาสามประการหรือปัญญาสาะการก็ได้ที่จริงไม่ได้ปแปลกอะไรนะคือเรื่องเดียวกัน ตอนในตอนสร้างขึ้นเนี่ยพระศาสนาได้แสดงปัญญาไว้สองประเภทหลักนะฮะสองประเภทใหญ่ๆประเภทแรกนั้นเรียกว่าสัชาติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดตัวมาโดยกำเนิดคนเราแต่ละคนที่เกิดมาลองสังเกตว่าพื้นฐานในวุฒิภาวะเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเด็กวัยเดียวกันเนี่ยมีความจาความฉลาดไว้พิษปฏิภาณในด้านต่างๆนี่จะไม่เหมือนกัน ได้เคยลองทดสอบเด็กที่วันก่อนเนีเด็กเขาเล็กหน่อยนะคือเด็กมสามมอะไรมมสองมสาม อ, ม อ, ม อ, 2, มอ 3, ยายนะุสิบกว่าสิบสามสิบสี่ แ, แถวๆนนะั้นเนี่ยคือลองบอกบอกหลักการในการเรียนหนังสือของเธอนะฮะบอก่าเรียนให้รู้ดูให้จำทำไม่ได้ใช้ให้เป็นบอกกล้ว่าพร้อมๆกันก็ว่าได้นะฮะ แล้วต่อมาก็แนะวิธีการเรียนหนังสือให้จําบอกว่าตาดูนะฮะตาดูตัวหนังสือปากก็อ่านหนังสือหูก็ฟังเสียงตัวเองแล้วก็ใจก็กําหนดข้อความจากที่ตัวเห็นและที่ตัวได้ยินเนี่ยก็ปรากฏว่ากราะว่าให้ฟังเที่ยวเดียวในเด็กจําได้แต่แกว่าเป็นบทอักยานอะไรก็ท่องท่องมาได้เ อันก็แสดงว่าเด็กในสมัยนี้นี่มีไหวพริบปฏิผ่านปฏิผ่านเยอะนะฮคือถ้าถ้าเรามองในเรความเป็นธรรมเลยเราก็คุยกันเด็กอบรมสั่งสอนอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ที่จริงเรียนรู้อะไรได้เร็วมีประสบการณ์หลากหลายสับซ้อนนะฮะบางทีนี่เราตามก็ไม่ทันนะตามก็ไม่ทันได้เคยเจอเด็ก เมีเลกวัน ก, นก่อนเนี่ยเขาเรียกว่หลวงปู่ก็ถามอะไรเอ่ยนี่ติดหมดเลยตอบไม่ได้เลยสักข้อนึงก็แสดงไม่ใช่ธรรมดานะมันมันทําให้เห็นว่าเป็นยุคสมัยที่การศึกษาจะต้องต่อเนื่องเพราะอะไรการต่อเนื่องเนี่ยคือมีสติสัมปชัญญะเนี่ยที่มีความต่อเนื่องันแนวแน ว, แนวปันแนวการพัฒนาปัญญาถ้าหาวัดรอเฉพาะปัญญาประเภทสาชาติกัปัญญาทึ่ง กำลังเขาถือว่าท่าเด่นมากๆเนี่ยเขาเรียกว่าผ่สวรรค์แต่เราไม่เชื่อผ่อสวรรค์คือคล้ายๆกับการประสิทธิ์ประสาทจากสิ่งสูงสุดได้มอบปัญญาพิเศษมาให้บุคคลเหล่านั้นอันนี้นว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยสิ่งสูงสุดนี่ยจะมีปัญหาคือเลือกเลือกที่รักมักที่ช่างมีความลําเอียงนะรักมนุษย์ไม่เสมอกันและท่านมีปัญหาในฐานะผู้สร้างก็จะมีปัญหาเยอะเลยหรือการอธิบายในแนวพระเจ้าผู้สร้าง เ, เ, เ, เนี่ย ถ้าคนไปยอมสยบแล้วเนี่ยมันก็เห็นคุณค่านะฮะแต่ถ้าเราไม่ยอมสยบเราคิดกันโดยเหตุโดยผลโดยเจ็นว่าพระเจ้าผู้สร้างเนี่ยจะสบักสบอมมากเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นความผิดพลาดไปหมดนะเช่นมาเลือกให้พรสวรรค์สมบัคนบางคนเนี่ยมีเหตุพิเศษอะไรทําไมต้องเลือกให้ทําไมไม่ให้เสมอกันล่ะมันก็เป็นคําตอบที่ตอบไปได้นะฮะ แต่ต่อไปอ้างของกรรมก็แสดงพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่มีอิทธิพลอะไรก็แค่ทธ่พลของกรรมเพราะฉั้นการกระทำทั้งหมดมันก็ไม่ใช่พระเจ้านะฮะใน่จริงก็คือกรรมแต่บุคคลในกระทำเอาไว้ปัญญาประการที่ต่อไปในี่ยเรียกโยคะปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการประกอบการกระทำการบําเพ็ญการสร้างขึ้นนะฮะในโลกของการศึกษาเรียนรู้นี่แหละแต่อยากให้ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างหนึ่ง ว่ปัญญาในความหมายของพระพุทธเจ้าจริงๆมันไม่ค่อยตรงกับปัญญาที่เราเรียนข้างนอกเท่าไหร่นะเพราะของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นเน้นที่ว่าเป็นลดตัวโมหะหมายความปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยทําหน้าที่กระจัดโมหะโมหะซึ่งเป็นกิเลสประเภทอวิชชานะฮะกิเลสประเภทมืดบอดเนี่ยปัญญาเป็นประเภทแรงแสงสว่างโมหะมันเป็นประเภทมืด เพราะแสว่างเพิ่มเนี่ยความมือมันก็ถูกทํำลายไปแล้วทีนี้คนเราถ้าหากว่าปัญญาเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยความโลภมันจะลดลงต้องฟังลองสังเกตนะฮะถ้าเราเดินไปที่ไหนมีของวางไว้คล้ายๆของเรานะะเราก็ดูแล้วไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เอานั้นแสดงเลยเพราเรามีปัญญาพิจารณาว่าไม่ใช่ของเราก็คือของคนอื่นเราก็ได้ยังไงแล้วก็เกิดเคารพสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น วันปัญญาในความหมายของมุขแต่ศาสนาวันก่อนนั้นพระครูบาอาจารย์ก็ถามเวเ น, นียรัฐส่งเสริมสนับสนุนการศึกษากันกว้างขวางมากแปลว่าจบการศามแล้วว่างงานบอกว่าเนี่ยคือปัญหาของการาการศึกษาคือเราเรียนมาเพื่อจะเป็นลูกน้องคนอื่นเพื่อไปรับใช้คนอื่นนะฮเรียนยังไม่พ้นจากความเป็นทาสเลย แต่ถ้าเรามองถึงโครงสร้างของการการศึกษาในโลกเราเนี่ยนะในบ้านเมืองเราเนี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรีเนี่ยทำงานได้แล้วนะถา้าจะเอาทำงานนะการศึกษาระดับปริญญาโทนั้นมันเป็นการพัฒนาผู้ชํานาญการเฉพาะด้านด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะนะเป็นช่างเทคนิคในด้า น, านต่างๆหรืมีวความชํานาญในด้านใดด้านหนึ่ง ส่วนดรอกเตอร์นะมันเป็นการจริงๆเนี่ยเป็นงานวิเคราะห์วิจัยการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ขึ้นมาหรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาคิดค้นในเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเนี่ยทีนี้นมันมันคิดแต่จะเป็นลูกน้องคนอื่นนะเมันก็ว่า ง, งานเนี่ยปัญญาเนี่ยไม่ได้ช่วยตัวเองให้รอดปลอดภัยแล้วก็กลายเป็นยอมสยก ที่นี่การเราเป็นลูกน้องคนอื่นเนี่ยเราจบมาสูงสูงเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความคิดอะไม่ได้ใช้ความรู้ครับผมกรับผมเนี่ยมันมีแต่ครับผมกรับผมมันมีแต่คนอื่นมาสั่งปัญญาแนวพุทธศาสนาจึงอิสระนะอิสระจากพันธนาการเหล่านั้นแม้แต่เห็นโทษจากการครองเรือเนี่ยทั้งกสละเลยสละครอบครัวเลยเพราะอะไรเพราะปัญญาพิจรณาเห็นโทษของการครองเรือน เมื่อเราเรือนในครองไม่ดีนี่มีแต่ความทุกข์เราจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่จะรอก่อนเดียวก่อนค่อยก่อนไปรู้ได้ยังไงว่าเราจะไม่ตายเราจจะตายตั้งมาื่อหก็ได้จะรอบวชตอนแก่จะทํำยังไงเพั้นปัญญาในแนวตัวเนี้ยแม้แต่วิชาการทีือศึกษามันจะอยู่ในโครงสร้างเดียวกันแล้วสตามายะปัญญาคือปัญญาที่สึกเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ทางประสาทาสัมผัส อันนี้ก็คืองานของจิตที่เราเรียกอ ว, วิญญาณนะเป็นวิญญาณขันนะเป็นวิญญาณขันเป็นก็เรียกวิธีวิญญาณนะวิญญาณขันเนะี่แล้วก็เรียนรู้โลกดยประสาทสัมผัสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ประการต่อไปก็คือนำมาคิดนะก็เรียกจินตามยานปัญญาเห็นไหมว่างานของจิตมันก็ต้องจิตก็ต้องจำมาไว้ถ้าจำไม่ได้เราก็คิดไม่ได้ เราต้องจำไม่ได้ก่อนยังจะคิดได้ก็ชอบยกตัวอย่างให้พวกครูบาอาจารย์โดยเฉพาเวลพูดครูบาอาจารย์เราก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าให้เราสังเกตว่าสิ่งที่เราไม่มีหน่วยความจำเเราคิดไม่ได้ถ้าขืนคิดมันก็เป็นการสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นอุปาทานเฉย เราสามารถจะดูจะดูพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในรัตนโกสินทร์นี้ได้สามองค์แรกนะฮะคือว่าองค์ที่สีนี่มีกล้องถ่ายรูปแล้วทุหนึ่งสองสามเนี่ยมนันเป็นการเล่าอ่ะเป็นการเล่าของคนที่ได้พบเห็นเกีพระพักของพระองค์ท่านนะ่ะเราจะเราสังเกต ร, ราชการที่หนึ่งราชการที่สามนี่คล้ายกันพระพักตนี่คล้ายกันทังทางที่เป็นร้านปู่นะฮะ เอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องพอคิดแต่มันคิดไม่ได้เท่าไหร่อ่ะคิดแต่เป็นแม่ทัพองค์มากรอาหารท่าทางส ง, งา่าอะไรแต่ใดก็ว่าไปยกตัวอย่างเช่นเราสร้างครุธเนี่ยครุฑราชสีพญานหน้าอะไรแต่ใดเราไม่มีหน่วยความจําอยู่ในจิตเราพญาครุธจะเขียนหรือจะปั้นก็ตามองนะ คือถ้าจริงๆสมมุติเรามีชีวิตขึ้นมาเนี่ยบิดไม่ได้หรอกปีกมันมันเล็กเกิดไปพวกมันใหญ่เกินไปไม่ได้สัดส่วนพญานาคก็เหมือนกันนะฮะมันไม่มีจริงๆในประสาทสัมผัสของเราเพราะมันเป็นอะไรมันเอามนุษย์เกึิงมนุษย์กึิงเทพนะฮะพวกพญานาคเกึิงมนุษย์เกลิงเทพเหมือนพญารุษเกลิงมนุษย์กึิงเทพ เราก็ไม่เคยพบเห็นอะเราก็ปั้นมาไม่ได้เราเขียนขึ้นมาไม่ได้นั่นแสดงว่าหน่วยความจําเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในการว่าจินตามัจจาปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดถามว่าคิดจากอะไรก็ตอบว่าคิดจากที่เราจำมาไงแล้วเราเห็นได้ในขณะนั้นทีนี้เราเห็นในขณะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีหน่วยความจําเป็นฐานอยู่นี่ไม่คิดได้ออกนะนันเหมือนกับคนเดินมาเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยเราไม่รู้จักบางคนเราคลับคล้ายคลับคล บางคนเรารู้จักบางคนเราพอใจเราไม่พอใจทันทีเลยนั่นแสดงว่ามีหน่วยความจำอยู่ภายในจำทั้งด้านดีด้านไม่ดีของเขาไว้แล้วเราเคยประสบทุกข์เพราะการกระทำของเขามาแล้วเราก็มีทั้งสัญญาทั้งเวทนาเกิดขึ้นทำงานแล้วก็มีความรู้สึกที่เรียกว่ายินดียินได้เนี่ยให้เราสังเกต ย, ยินดียินได้เราต้องรู้จักนะเราต้องชัดเจนถ้าเราไม่ชัดเจนเราไม่มียินดียินได้เร นั่นก็คือก็คืองานว่าการคิดเนี่ยก็คือคิดจากพื้นฐานตรงเนี้ยแล้วก็ต่อไปก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเขาเรียกภาวนามย์ปัญญาทีนี้ตรงเนี้ยมาถึงจุดหนึ่งพอนํามาใช้งานเนี่ยท่านเรียกว่าสัตตกะสัมมัญญะคือปัญญาที่สามารถจำแนกแยกแยะสิ่งทั้งหลายว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ในเรื่องใหญ่นะ คือต้องมีความชัดเจนทั้งเห็นทั้งได้ยินทั้งสูดดมทั้งเลื่อมทั้งจับต้องประสาทของเราบางทีมันมีประสาทอัตโนมัติเช่นมีฟูลเข้าตาเนี่ยกระพิตาหลีตาไว้ทันทีได้โดยอัตโนมัติใจไม่ทันคิดมันรลีดแต่เราจงสังเกตเราปูนี่เราอัตโนมัติไม่ได้เราก็ต้องได้ยินเสียงแต่วประสาทบางส่วนเนี่ยเขาอัตโนมัติเขาได้ทํำยังไงว่า ให้ถึงใจนี่สามารถเป็นอัตโนมัติได้เช่นสมมุติว่าเราเดินไปได้กลิ่นเหม็นเนี่ยอั้นลมหายใจได้ทันทีเลยโดยโดยอัตโนมัติเลยได้กลิ่นหอมก็สูดลมหายใจเข้าไปทันทีได้นะกินอาหารเนี่ยสามารถจะรู้เท่าทานอคุณกินหรือไม่ควรกินเนี่ยมันเป็นอาการของสติสัมปชัญญะที่แยกแยะชัดเจนว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เวลาเราเรียนสมัยก่อนเนี่ย คือที่จริงคำว่า ม, ม, ม, มันมันมันสองด้านแต่นั้นเด็กนะฮะก็เรียกว่ากุศลกับกุศลสุกติกับทุกติท่านเรียกว่าผู้ดําเนินไปไม่ดีดำเนินไปชั่วก็เรียกว่าทุกขโตดำเนินไปชั่วแล้วก็ไปตกนรกก็กลายเป็นทุกขติสุกโตก็คือดําเนินไปดีแล้วไปสู่สุกติก็คือโลกสวรรค์มันก็มีอยู่สองกระแส เนเวลาเราจะสื่อสารเนี่ยให้จะสื่อสารเยอะสมัยโบราณเนี่ยเราจะเจอว่าท่านสื่อสารเยอะแต่ต้องจับมาได้จริงๆในคู่ไหนคู่ใดคู่หนึ่งกระเทิอนหมดทุกคู่นั่นแหละเช่นว่าให้รู้บาปอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นทางเสื่มอะไรเป็นทางเจริญอะไรเป็นทางสุขอะไรเป็นทางทุกข์อะไรเป็นทางในโลกทางสวรรค์นี่อันเดียวกันนั่นแหละ คือหมายความมาเป็นกระแสของกุศลกับอกุศลกระแสกุศลก็เป็นบาปเป็นบาปก็เป็นโทษเป็นทางเสื่อมเป็นทางทุกข์เป็นทางนรกก็กออกไปตั้งแถวของเขานี่ย น, นะนั้นก็คือกระแสตรงเนี้ยเราจะต้องชัดเจนว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์จึงก็ะนั้ความมาต้องชัดเจนในขณะนั้นๆ ไม่ใช่ว่าทำลงไปแล้วเล้วกกว่าเออไม่ดีอันนี้ไม่ควรทำแต่ต้องมีความชัดเจนด้วยใจของตัวเองอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดเนี่ยต้องชัดเจนข้อต่อไปเขาเรียกว่าโคจระสัมชัญญะคือมีความฉลาดในทางดำเนินของชีวิต คือที่ควรไปไม่ควรไปหมายความมาทั้งหมดแหละควรดูไม่ควรดูควรฟังไม่ควรฟังควรดมไม่ควรดมควรลิ้มไม่ควรลิ้มควรจับจ้องไม่ควรจับต้องนะฮะตลอดต้งควรคิดไม่ควรคิดเขาเรียกว่าฉลาดแต่วิตกบทคือทางของความคิดในกระแสความคิดเนี่ยมันต้องถามหาคําตอบไปได้มันคิดไปทําอะไรคิดแล้วได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์แล้วคิดมันทําไมนอนหลับจะดีกว่า ดังนั้นในกระบวนการตรงนี้ท่านก็สอนให้เราชัดเจนว่าเรื่องบันเรื่องนี้ไปทำอะไรดังนั้นวจัดระเบียบสังคมของมหาไทยในปัจจุบันเนี่ยก็รู้สึกชื่นชมนะครับคือไปตามกระแสคนเพียงไม่กี่คนเนี่ยมันต้องนึกถึงสังคมที่เป็นองค์รวมด้วยถ้าจัดเป็นโซนต่างๆก็ว่ากันไปนะเราไม่ว่าอะไรอรันะครับขอชาวบ้านเขาแต่ว่า มันถ้ากระจายอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วไม่สงบบางทีมีนะฮะมีแม้แต่หน้าวัดประบอ ร, บอรเนี่ยยังมีเลยค่างข้างวัดปบอรเนี่ยยังมีไอ้พวกอะไรไอ้บาอะไรเนี่ยผับอะไรเนี่ยมีสถานที่เริงรมแต่ว่ามันเสียงมันไม่ถึงก็เข้ามาในวัดทันนั้นเนี่แต่ว่ามองในแง่สวยงามมันก็ไม่สวยงามนะ คืออย่างยังไงล่ะเราก็ต้องประกอบอาชีพต้องมีอาชีพต้องมีอยู่มีกินแต่ว่าในอาชีพมันสุดจดดิตหน่อยได้ไหมล่ะใหญ่สร้างปัญหาแก่คนอื่นไม่ใช่คุณสนุกสนานกันลั่นกระเทือนเลือนลั่นไปหมดแล้วก็คนอยู่ใกล้ๆกก็ไม่ได้หลับไปนอนเนี่ยทีนี้คนมันต้องวินิจฉัยตัวเองส่วนหนึ่งเนี่ยต้องวินิจฉัยตัวเองว่านควรจะไปหรือแล้วไปทาอะไรไ่ได้อะไรกันมาทีนั้นหูจะแตก เข้าไปทำอะไรมันหลายปีมาแล้วนะจะมาได้เคยคือคือตามปกติมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยรับกิจนิ ม, มนต์ในในลักษณะอย่างเงี้ยในลูกศิษย์เขานิ ม, มนต์ไปกาเปิดร้านนะเปิดร้านอาหารเป็นพัตตาคารนะนะแต่ว่ากลางคื น, นก็ขายของล่ะเราก็ไปเช้ามืด ถึงกระสวดมดเลยล้วก็รณิบหมดเลยจะไปประพอบน้ํามันมัน ก, ก็ล่าหายไปข้างหลังโอ้โหมันหมูนี่เยอะยั่วเยี้ยไปหมดแล้วก็สกรปรกแล้วก็อ่างถาดชุดจานทุดจุดท้ายนี่ไม่ได้ล้างนะฮะไปกองรวมไปอยู่ข้างหลังร้านเนี่ยคือตั้งแต่วันนั้นมารู้สึกอึอดอัดอาหารฟาตาคาเนี่ยพอเห็นรู้สึกอึัอดเอ๊ะมันสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้่เนี่ยมันทําได้ยังไงก็ไม่รู้ นั่นคือคือเราจะเห็นว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยปลอดภัยที่สุดก็คืออาหารที่ปราศจากสารพิษถ้าเราก็ทําทำเองปรุงเองเนะฮะก็อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรลีล์ซับซ้อนอะไรนั่นก็คือคือโคจราสั ม, มัญญาหมายถึงสถานที่ที่เราเลือกไปหรือไม่เลือกไปนะบางทีมันเสื่อมจะงาราชีคนไป เป็นคนระดับมรกรทายกวัดเนี่ยเข้าไปในช่องโสเพดีเนี่ยก็เสียคนแล้วเข้าไปดูหนังเนี่ยนะขนาดชาวบ้านนะถ้าพระแล้วเลิกพูดเลยจบกันจบกันพอดีพระเข้าไปดูหนังนี่จบพอดีทั้งๆ ท, ที่มันไม่ใช่อันตรายอะไรรุนแรงนักหนาแต่ว่าโดยเนื้ออาสาระของความเป็นพระเนี่ยมันไปในสถานที่เหล่านั้นไม่ได้ แต่แม้แต่บางทีที่เขานนี้บนไปปาตกถาบรรยายอบรมมานะฮะตอนใหม่ๆที่เขานนี้บนไปบรรยายดำโรงแรมมานะงทีไปกลางคืนเนี่ยนะกลางคืนมีห้องไปชุมไปบรรยายเนะี่ยเราก็ต้องตกลงกันว่าคุณคุณต้องออกมารับแล้วมากันหลายคนนะคือเราเข้าไปมีคนสองคนเราไม่เอาหรอก แต่ถ้ากลางวันเนี่ยพอทำเนาที่จริงโรงแรมมันไม่ได้อยู่ในความหมายเดิมแล้วโรงแรมมันกลายเป็นสถานที่ที่ไปชุมที่สัมมนาที่แลกเปลี่ยนความรู้เป็นวิชาการเยอะนะฮะแต่ว่าเราก็ค่อนข้างจะเขินๆเหมือนกันเข้าไปในสถานที่นั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสาที่จะได้พูดกับคนชั้นนักวิชาการทั้งหลายก็ได้นาเสนอธรรมะ ในหลักของพุทธศาสนาปนรากฏหลังนี้มก็มีโอกาสได้ได้ฟังนะฮะคื อ, ค, อคือไม่ใช่ไม่มีโอกาสก็ไม่ใช่โอกาสเขาเองข้อต่อไปนั้นท่านเรียกว่าสัปพายะสัมชัญญะคือต้องรู้อะไรมันเกื้อกูลตเราหรือไม่เกื้อกูลคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยถ้าปัจจัยเสริมมันมีปัญหานะฮะสมมุติเรานั่งสมาธิแต่เราปวดแสเอวเป็นปกตินี่แย่แล้วนะฮะ มันมีปัญหาแล้วหรือบางทียูเข้ามาเลี่ยนั่งสมาธิอย่างเงี้ยมันก็นั่งไม่ได้อิ่มมาเนี่ยมันนั่งสมาธิมันก็นั่งไม่ได้มม เ, นนไไดเขาเรียกปัจจัยเสริมนี่จําเป็นจะต้องมีแล้วเราก็ต้องหาเอาเองในพระบาลีนั้นท่านแสดงไว้บางทีก็สีแห่งบ้างที่จริงอะไรก็ได้นะฮะออคือคือคือหมายความว่าให้มันเป็นการกู้กูลเรียกว่าอาวาดสับ สั ป, ปายะอาวาสสั ป, ปายะที่อยู่สบายคือว่ามันก็กูลโน้มน้าจิตใจก็หาความสงบนะเป็นที่สงบไม่มีเสียงรบกวนวิเวกบรรยากาศของวัดนะะบรรยากาศของวัดเนี่ยเราเหนว่าอย่างเรามงองนิราชทรินเนี่มันตื่นเต้นนะฮะมันมันเป็นวัดในจินตนาการแล้วทำยังไงจะมีภาพอย่างนี้ขึ้นมา เรืองเรืองไตรรักพ้นผันแสงรินรถพระธรรมแสดงขั้มเช้าเยดีระดาแสงเสียดยอดยนต์ยิ่งแสงแก้วก้าวแกนล่าหลากสวรรค์มันเป็นภาพของความสงบมันน้มน้าวจิตใจของบุคคลเข้าหาธรรมะเข้าหาการคุ้นคิดถึงหลักสัจธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้เนี่ยมันตรงตรงนี้เป็นปัจจัยเสริมที่มีความสาคัญ แล้วก็ที่ทางที่เราไปไหนมาไหนคือเดินสบายตลอดถึงว่าเป็นที่เดินสบายเป็นที่อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาสัมผัสอย่างที่ว่ามาแล้วตลอดถึงที่จงกรมที่บินทบาทใดๆ ต, า ต, าตา่างๆเนี่ยคือเวลาเราจเจริญกรรมฐ า, านเนี่ยคือถ้าเราไปต่างจังหวัดแล้วที่จริงไม่อยากเข้ากรุงเทพเลยนะต่างจังหวัดมันน่าอยู่มาก เวลาที่จะเดินจงกลมก็เดินได้สบายอากาศก็รู้สึกสดชื่นและไม่ค่เหนื่อยแตวพอข้าวกรุงเทพเราก็เหนื่อยอากาศก็ไม่ค่อยดีตรงนี้จะต้องมีเขาเรียกว่าโคจระสปายะคือโคจรนะฮะมีทางเดินสบายที่เดินสบายที่เดินจงกลมที่เดินบิดบาส อ, อะไรต่างๆมันปร่ปงๆเขาเรียกอะไรล่ะคือสะอาดสงบสว่างตามโครงสร้างของศรรีลสมาธิปัญญานสะอาดสงบสว่าง สถานที่ที่สะอาดสถานที่ที่สงบสถานที่ที่โปร่งนะมีไม่ใช่อับทุกนะฮะแล้วพัฒนาสัปปายะคือมีการฟังการพูดที่สบายก็ได้กัญยาณมิตรคือกัญญาณมิตรนี่เขาจะอยู่ทุกแห่งทุกแห่งไม่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องมีกัญญาณมิตรผสมอยู่ในสถานที่นั้นเพราะถ้าหากว่า มีคนมาชวนคุยลากออกนอกเรื่องนอกราวไปตามปกติคนเราเวลาจับกลุ่มคุยแล้วส่วนมากมันเลิดออกไปไหนก็ไม่รู้ลองสังเกตดูลองอัดเทปไปก็ได้นะเวลาคนคุยคุยกันไปไหนก็ไม่รู้ออกนอกเรื่องนอกราวหาไปเลยแล้วคนที่เขาเรียกปุคาราส ป, ปายะนะคือคนที่เราคบหาสมาคมเกี่ยวข้องเพื่อนศึกษาทำปฏิบัติทำหรือหนังสือด้วยกัน นะครูบาอาจารย์อะไรจะต้องอจะต้องเกื้อกูลจะต้องเกื้อกูลต่อการปฏิบัติภาพเหล่านี้ที่จริงมันร0อเปอร์เซ็นตก็หายากกันนะเพราะรอเปอร์เซ็นหายากแต่ว่าทำยังไงจะหาให้ได้บ้างแล้วก็อุตุคืออากาศแต่ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปนะฮะไม่ฝนตกเกินไปเอ่อถ้าร้อนเกินไปเนี่ยกายจะกระสับกระสายหนาวเกินไปก็เหมือนกันนะ เคยทดลองนั่งสมาธิไปที่ต่างที่ต่างประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์วิมะลงไม่เคยเห็นวิมะเรานั่งสมาธินั่งไม่ได้สั่นเลยหนาวสัน่นใจไม่ย่อนสงบเพราะฉะนอุตุเนี่ยคือคือคืออย่างเมืองไทยเราที่จริงอากาศดีนะอากาศดีแล้วก็สามารถที่จะปรับสภาพอากาศได้อาหารอาหารต้องไม่มากเกินไปต้องไม่น้อยเกินไปนะแล้วก็ต้องไม่แสลงแก่ท้องไส้ต่างๆ การเคลื่อนไหวยาบททั้งหลายเนี่ยต้องดีอยาบทเราจะอยู่ยาบทใดยาบทหนึ่งไม่ได้นะจะต้องยืนเบินนั่งนอนเนี่ยปนคระกันไปก็เลยเอียรปรับอยาบทให้สม่ําเสมอ น, นี่ก็เป็นสิ่งเสริมในด้านทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นหลักของสปายะจนถึงจุดหนึ่งนี่เขาเรียกอสัมโมหัสปายะนะคือต้องกรจายความลงได้ต้องฝังทั้งหลาย แา่หลพโพธิาณในวันนี้ก็ยุติไว้โดยเวลาเป็นเทาน่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญเมองงามไพรียบุในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี